สกถินอนันตรปัจจะยาธิว่าด้วยอนันตระปัจจัยแห่งกถินเป็นต้น404ประโยคมีธรรมเหล่าไหนเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัยโดยนิสยปัจจัยโดยอุปนิสยปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย โดยสหชาติปัจจัยบุพกรณ์ละการถอนผ้าและการอธิษฐานผ้าละการกรานและมาติกาและปริโภธดและวัตถุมีธรรมเหล่าไหนเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยโดยสมนันตรปจจนะปัจจัยโดยนิสยปัจจัยโดยอุปนิสยปัจจัย โดยปุเรชาตะปัจจัยโดยปัจฉาชาตะปัจจัยโดยสหชาตะปัจจัยบุพการเป็นปัจจัยประโยคมีบุพการเป็นปัจจัยโดยอนันตรัปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยโดยอุปนิสยปัจจัยบุพการมีประโยคเป็นปัจจัยโดยปุเรชาตะปัจจัย ประโยคมีบุพการเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปะปัจจัยทำสิบห้าอย่างเป็นปัจจัยโดยสหชาตปะปัจจัยการถอนผ้าเป็นปัจจัยบุพการมีการถอนผ้าเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยโดยอุปนิสยาปัจจัย การถอนผ้ามีบุพกรณ์เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตะปัจจัยบุพกรณ์มีการถอนผ้าเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตะปัจจัยทำสิบห้าอย่างเป็นปัจจัยโดยสหชาตะปัจจัยการอธิษฐานผ้าเป็นปัจจัยการถอนผ้ามีการอธิษฐานผ้าเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัย โดยสมนันตระปัจจัยโดยนิสยปัจจัยโดยอุปน weight weight ิสยปัจจัยการอธิษฐานผ้ามีการถอนผ้าเป็นปัจจ yep ัยโดยปุเรชาติปัจจัยการถอนผ้ามีการอธิษฐานผ้าเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาติปัจจัยสิบห้าอย่างเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัย การกรานผ้าเป็นปัจจัยการอธิษฐานผ้ามีการกรานเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยโดยนิสยปัจจัยโดยอุปนิสยปัจจัยการกรานมีการอธิษฐานผ้าเป็นปัจจัยโดยปุเรชาตะปัจจัยการอธิษฐานผ้ามีการกรานเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตะปัจจัย ทำสิบห้าอย่างเป็นปัจจัยโดยสหชาตะปัจจัยมาติกาและปริโภ o t เป็นปัจจัยการกรานมีมาติกาและปริโภ o t เป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยโดยนิสยปัจจัยโดยอุปนิสยปัจจัยมาติกาและปริโภ o ์มีการกรานเป็นปัจจัยโดยปุเรชาตะปัจจัย การกรานมีมาติกาและปริพภ o t h เป็นปัจัยโดยปัจฉาชาตะปัจใจทาสิบห้าอย่างเป็นปัจใจโดยสหชาตะปัจใจวัตถุมีความหวังและสิ้นหวังเป็นปัจใจโดยอนันตระปัจใจโดยสมณันตระปัจใจโดยนิสยปัจใจโดยอุปนิสยปัจใจความหวังและสิ้นหวังมีวัตถุเป็นปัจใจ